หาเทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายานแม่เนื้อหาจินเพลินและนายพานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่าใครเป็นคนยี ใครเป็นคนทำลายตัวเพราะไม่มองเห็นในการเห็นแต่ยินตั้งมาก็ถูกแล้วตาย ต, ตัวที่เห็นก็คือตัวที่เจ็บ่างมากกะแค่เห็นสติปัญญาที่เจริญเลยนั่นไม่มีเราก็ถูกแต่ กิเลยิงเอาให้เกิดความทุกข์ความทรมานทางร่างกายและจิตใจแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือจิตถูกกิเลยิงเอายิงเอานะนรับแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากลูกศรของกิเลสหากจึงต้องเรียนวิชา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 วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายพระเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อผูกปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงถ้าสอนเรื่องสมาธิเพื่อปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยนี่เป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลสตัวทำลายสัตว์โลก ให้รับความทุกขความลำบากเรียนว่าตาเกิดในวัะสงสารไม่แล้วไม่เหล่าสักผีและไม่มีต้นมีกายถ้ามันมีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเวล่งเวลาไม่ได้การแก้กินใดการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง ถ้าเราถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวของเรามานมนานดีหรือชั่วความคิดคการกระทาคาพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องว่าเรียนเรื่องตัวเราเรื่องโง่เรื่องฉลาดเรื่องดีเรื่องชั่วมีอยู่กับตัวของเราด้วยกันแต่เพราะ อ, อย่างยิ่งในด้านนี้เราเรียนเรื่องจิตเหนืเฉพาะเรื่องของเราแท้ๆคือเรื่องของจิต กิจมันแสดงอาการแนงงอนต่างๆไม่แนๆตั้งแต่กลมายาของพิเดศที่พาให้แสดงตรงนั้นตามธรมรมดาของกิจและวจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงแปลงไปต่างๆในนี่ดีเนี่ยร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากกิจและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิชให้ตุงให้พูดให้ทําเช่นนั้น ท่านผู้ตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆ็นนักบวชมีเวลาตัวเฉพาะกับงานอันเดียวอะไรสิว่าสะดวกมากกว่าคารวาสีพอสมควรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาเพฤ่อปฏิบัติเพื่อกำจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนและเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่มิ้ไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ อ๋อแนวลบไปแล้วยังงระนอนหลับคลอกคลอ อ, อยู่ในแนวลบให้กิเลสมันยิงเอายิงเอามีจานวนมากพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีความตื่นเมื่อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดัดขั้นดาลกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนก็สอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกาลังพระจักใจด้วย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 และมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาส่วนมากก็เป็นความระมัดระวังตัวพอเราไปหาที่ระวังตัวไม่ไปหาที่นอนใจคือหาที่ตั้งใจระวังตัวมีสติกลางวันก็มีสติเพราะความคลัวสิ่งแวดล้อมมันบังคับอยู่ตลอดเวลาในที่บางแห่งห่างจากหมู่บ้านทั้งเจ็แปดกิโลก็มีแล้วในป่าในเขาด้วย ที่ฉะนั้นถ้าเราไม่ออกมาเกี่ยวท้อหมู่บ้านเช่นมาบินธบาติก็ไม่มีวันที่จะพบจะเจอคนเลยเพราะอยู่ในป่าเนี่เขาและเป็นที่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นทําเลหากินของเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งของเราไปไปยุ่งเราแม้เขาจะผ่านไปเขาก็ไปที่อื่นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเราจรึงไม่มองเห็นใครนอกจากเสียงสัตว์สถานที่ก็สบงบเงียบเป็นที่น่ากลัวอยู่แล้วและมีน้ำท่วมสิ่งที่ เราหน้ากลัวก็แสดงออกมาเป็นเสียงเสือเป็นต้นร้องคำรามต่างๆตามภาษาของมันแหละนิสัยของคนเรามันมันก็ต้องเป็นไม่ว่าศาสตร์นักโคนสิ่งที่น่ากลัวก็ต้องตู่เมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไม่มีที่พึ่งเพราะเจตนาของเราก็าไปพื่พึ่งตนเองไม่ได้หวังจะพึ่งศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นพึ่งอัดพึ่งทำ พึ่งตัวเองด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมือหรือเป็นที่เกาะที่ยึดจิตใจจึงหมุนตัวเข้ามาสู่ภายในจะเป็นกับตายก็ไม่หวังพึ่องอะไรทั้งนั้นแม้เสือจะเดินเข้ามากัดกินตัวเราในขณะนั้นก็ไม่ยอมที่จะไปคว้าเอาจาตตราอาวุธหรื อ, อไม้เอาอะไรมาตบมาตีเป็นเครื่องต้านทานหรือเป็นการต่อสู้หรือป้องกันตัวเลยขอปล่อยให้มันตามธรรมชาตินั้น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 อยู่ในนั้นไม่ยอมเถือจิตที่มีสติจิตที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิตที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิตที่ระมัดระวังความระมัดระวังเป็นเรื่องของสติระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัดระวังเพื่อจะห น, นีไปไห น, นระมัดระวังเพื่อรักษาจิตใจแม่เพื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้ จิตมุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำเท่านั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องหมายปาช้าพูดง่ายๆตายที่ไหนก็ยอมกันที่นั่นแต่ขณะที่จะตายก็ดีหรือไม่ตายก็ดีในขณะที่กลัวนั้นต้องให้มีทำอยู่ภาในจิตใจเสมอคือสติไม่เผลอจากคำที่ตนกําลังพิจารณาจิตใจเมื่อถูกสิง่งแวดล้อมบังคับอยู่เช่นนั้นก็เป็นเครื่องช่วย ให้สงบตัวเขาได้เร็วหรือให้ได้หลักยึดอย่างรวดเร็วถึงกับสงบตัวเขารวมอยู่โดยเฉพาะเมื่อจิตรวมตัวเขาเป็นอันเดียวเป็นตัวของตัวในขั้นนั้นแล้วความที่เคยหวาดกลัวต่างๆก็หายไปหมดนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวังและความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุนต้นเตือน ให้เราประกอบความภาคเปลี่ยนด้วยสติด้วยความจริงใจเมื่อจิตสงบตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยไม่ไปคิดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ใต้โลกตาตามพิ่มไม้ชายคาหรือที่ไหนไม่มีปัญหากับสิ่งต่างๆว่ า, าะจะมาทำอย่างนั้นมาทำอย่างนี้เป็นความสะดวกสบาย หาสุขเย็นใจมีเพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ ข, ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามคิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่าเป็นจิตบำรุงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุ่มหลัง เนีไมห่หมายอะไรทั้งนั้นกิ้เลศเหมาะในเวลาขึ้นนั้นบางทีทํำท่าจะเป็นพระรหัสน้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระรหัสน้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นลว น, ลวนความรู้ล้วนลวนนั้นกับเป็นความรู้ที่มีขี้เลศอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทราบว่าความชินขี้เลศเป็นยังไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้นลว น, ลวนเราก็เลยถือว่าความรู้ล้นล้วนนั้น ปั้นความรุ่นรุ่นเสร็จแล้งรุ่นรขึ้นมาว่าเป็นพระารน้อยองค์หนึ่งนะพื้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รุ่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไราเสียดายรู้ว่าความเพียงจะไม่ก้าหน้าเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้ทาให้มีความรุ่นเริงบันเทิง การความเป็นอยู่ปูวายอะไรทั้งหมดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นอารมณ์ของใจนอกจากความเพียรได้พิจพิจารณาและขณะที่กิตของเราเป็นเพนนั่นอยู่ติดโดยสืบเนื่องต่อกันเรื่องของสมาธิคือความสงบตัวนั้นเราไม่ต้องพูดคําว่าสมาธิไม่ได้ห ม, หมายถึงว่าจะเข้าไปอยู่เป็นอันเดียวไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลย แต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม้จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทํารือเพื่อแจ็คไข่ถอดถอที่เหลือได้อยู่อย่างสบายๆนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันหนึ่งความเป็นความตายความทุกข์ความลําบากตามสัจธรรมนั้นก็จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยไม่ต้อง มีความขี้เกียจมานำหน้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เราพิจารณาค้นคว้า อ, อยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วในจิตที่เรามุ่งนั้นมันก็ต้องปรากฏขึ้นมามากน้อยโดยลำดับจิตที่เคยมืดมนอนทาการมาแต่ก่อนเราก็ไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละนั่นก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอาศัยสถานที่นั้น เป็นเครื่องส่งเสริมเรื่องภัยก็มีอยู่กับตัวของเราแล้วทําไมเราจะไม่รู้อะไรที่เป็นภัยสําคัญไงว่าภัยจากช้างจากจอะไรภัยจากช้างจากเสือจากสัตต่างๆมันนอกไปเสียนั่นเมื่อเวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาไอ้ภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองมีร่างกายเป็นทั้งภัยเป็นสําคัญความทุกข์ความลําบากนี่ก็เป็นภัยกันหนึ่ง ภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่มีเวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียายธรรมโอสถอัอนสําคัญเข้าไปแช่จนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตก็ต้องได้พิจารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสําคัญ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 ูความจริงของตัวเองจิตปราศนาถาเผยอะไรเป็นกิเลสแล้วอา่านในคมพีบลานตํหลับตําลาอ่านมาถ้จนพอเพราว่ากิเลสกิเลสคือความเศร้าหมองสิ่งที่ให้เกิดทุกข์แก่สัตว์ชื่อกิเลสไม่เกิดไม่ทำให้เกิดทุกข์ตัวกิเลสจริงๆนั้นทำให้เกิดทุกข์ได้ และตัวเกียจริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของ ส, งสกรปรกสิ่งสกรปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชาล้างสิ่งเหล่า น, นี้ออกทำอันเป็นคู่ควรแก่ใจอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลำดับลาดับขับไล่สิ่งที่ ส, ส, สกรปรก น, นั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาพัฒาความเพียร พิจรณาให้เห็นความจริงที่มีอยู่กับตัวทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์ความหมกเห็นประจักษ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนในร่างกายก็แสดงให้เห็นอยู่จิตที่ไปยุ่งกับสิ่งใดก็ปรากฏเป็นความทุกข์ขึ้นมาพนใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นี่หละ่ะภัยมีทั้งไหร่เป็นสําคัญพิจารณาสร้างปาช้าขึ้นด้วยตัวเองนี่หละ่ะมันดี คือสร้างป่าช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องป่าช้าคือความตายให้พิเดตสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญดาของเรามาป่าช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากําหนดลงให้เห็นชัดเรื่องป่าช้ามีอะไรตายจริงๆเหรือดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกระถากกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัว ไม่มีใครบอกมันก็กลัวเองไม่มีต้องไม่ต้องตั้งโรงน้ำโรงเรียนสอนกันเรื่องความตายสัตว์โลกรู้กันกลัวกันทั้งนั้นทําไมยิ่ต้องกลัวกันโดยไม่ต้องพร่มสอนกันกลัวเราเองก็เช่นเดียวกันทำไมกลัวแล้เรียนที่นี่เรียนเรื่องความกลัวตายให้รู้ว่าอะไรมันตายแน่มันถึงได้กลัวกันนั่งหนานะแล้วมันตายจริงๆเหรอเรียนลงไปให้เห็นเหตุเหผลของมัน ดูธาตุสดินน้ำลมไฟจะพอกยิ่งร่างกายของเรานี่ยรวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสีส่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งแกร่งในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วลว่าน้ำอะอะไรมีอะไรบ้างมีน้ำลายเป็นต้นนะลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไปให้เห็นปัจฉาของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉาจริงแล้วดู เ, เวทนาตายแล้วที่เผาสบ ข, ของเวทนาอยู่ที่ไหน สันยาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผาันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เ้าศพมันอยู่ที่ไหนดินญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เ้าศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเราที่เวลาตายแล้วสถานที่เพ้าศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็เปเป็นดินนั่นก็เผาดินดเฉยนันอะไรแล้วจิตละ่ะ สถานที่เผาศพของกิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีมคนนั้นมันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชํานาญคาดจนเ ข, เข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ําหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดนี่เราเยน็นนิชานี่เราเยนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายเนี่ยเมื่อมัน ชาติพานใจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสําคัญของจิตที่หลอกตอนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นและผู้นี้เนี่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้แหะเป็นผู้กลัวแล้วผู้นี้แหะเป็นผู้ทุกข่าสีดิน้ลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ผู้ที่หลอกตัวเ่างนี้แหละเป็นทุกข์เรียนให้รู้ที่เดียอาค่าว่าอ้ า, าวฟ้ามันสลาลีันไปจริงจริงแล้วก็ามมันมา ม, นมันก็มีป่าช้ามั่นกัน เมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันห น, หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากพันจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแยกดูธาตุดิน้ำลงไปปกติก็เป็นธาตุดีเช่นนี้สลายลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุดีเช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุดีเช่นนี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุดีเช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนจริงๆในรู้เนี่ยมีความแปลกความด้วยมี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 พ่อโกหกเรานี่ยงั้นเราจะทนเชื่อความสัมพันธ์นี้อยู่เหรอนถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วสิ่งเหอันนี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลืหอแต่ความจริงเหนื่อยเดี๋ยว เ, ยวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนหนังนีอ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 ถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราเราหลอกเราแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้นี่นก็ตายตื่ตูมนทางก็ตายตืดตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างออืถูกการหล่นลงมาถูกกานตาน ต, ตกโป๊วบางมา เอามลงมาของนั้นเนี่ยตายไปซุดดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยตัดตัวนั้นถามวิ่งอะไรก็ผ้าถล่มผ้าถล่มไปพวกที่หลงตามนันก็วิ่งไปขาหักแค่หักก็ไม่ถอยแนละ้ววิ่งไปคานไปจนกระทั่งไปถึงพญาราชสีพญาราชสีตว่าขู่วิ่งอะไรวะก็ ว่าฟาถลม่มใครบาถล่มเวลาถามหาความจริงจริงฟาถล่มยังไงใครบางคนว่าก็มาจนเกอะที่เจ้ากระตายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมตูมลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแน่ น, นั้นก็พวกสัวรที่ตื่นหลงตามกระตา่ายเพะเจ็บแฉ่งเจ็บขาขาหักไปมันมีเยอะไีกระต่ายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ แต่ความเปรียบความตายหลงไปเรื่อยๆถ้าทิ้งพระธยาราชสีหก็ได้เก็บปัญญาถ้าทิงหมายถึงพูดเป็นเจ้าของทำก็คือศาสนาผู้สอนทำสอนความจริงนีมาให้พิจารณาทำความจริงนี้จริงทั้งหลายที่จำปลอมชื่อหลอกกันมาเป็นเวลานานนั้นมันจะหายไปกลุ่มใหญ่เอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตาความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเหล่านี้จะหลอกให้ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราเนั่ยพวกก็ตายตื่นตุมจึงต้องให้เรียนฟังครูพระเจ้าเหมือนหลวงพญาลักษณ์ศรีขูบังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าผ้าดถล่มมันถล่มจริงเลยเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงเหลยฮะตู่เนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะเห็นมันจะมาตุ่มหล่นอยู่เท่านั้นแหละมาตุ่มหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมัน เท่านั้นเล่าห้อตื่นเลยเถยดแห่งสว่างในผู้ที่หลอกจริงๆคืออะไรมันก็คืออวิชชาเนี่ยออกมาจากอาวิชชาจริงๆค้นดูพานาจิตจนละเอียดละออนแล้วก็รู้กันที่นั่นสลัดปัดทิ้งกันที่นั่นเหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆนั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วน ความบริุท์โดยทิ้นเชิงเรื่องกระตายปืนตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหละพะยาราะศีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมายศาสนาก็หมายถึงศางสตร์องศาสดาประกาศสอนโลกเรียนถ้้มันถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคน ความจอมปลอมก็มีกับทุกคนจึงไม่หลงกันเมื่อเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลงอยู่ไหนก็อยู่สบาความเป็นความตายก็สักแต่กิยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดตายมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปนี้เทา่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกขึก้นกว่นั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้น รู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็มีปัญหาอย่าง แ, แบบตาบอดทำช้างมันถึงยุ่งนะผกเขียงมันมีตรอบเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถายเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละก็ะถึงความจริงแล้วก็มีทำแท่งเดียวภายใ น, นใจหายความตื่งกรหนกตกใจอะไรนึ่รกระตายเตือนตันมันหมด โลกภพจะมีอะไรมัง่งมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็มเห็นแต่ตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโลกวิถีเนี่ยถนรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยัยงไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดโลกวิถีเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปได้ทั้งประพุทธเจ้าแต่พระุทธเจ้ายังมีพิสดานกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิถีในตัวของเรานี่ยรู้แจ้งทงจริงในโลกแห่งขันนี้ ชัดเจนมันไม่หลงขันมันไม่มยึดขันรู้ตามความจริงของขันแล้วก็ไม่มีอะไรเต็มใจทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยอเกิดขึ้นความจริงมีไงก็แสดงขึ้นผู้ที่รู้จะรู้จนกระทั่งถึงวาระาสุดท้ายนะฮะถ้ารักก็จสลายถ้าทนไม่ได้ก็ไปผู้ทนพูดทนได้หรือผู้อยู่ได้จะอยู่อก็จิตนั่นเองเป็นผู้อยู่เพราะไม่ผู้นี้ไม่ใช่ผู้สลาย สิ่งที่ได้ไหนที่ทนไม่ได้เขาสลายไปผู้ที่ทนได้ถ้าพูดถึงว่าฐานาว่าทนนะแต่นี้ไม่ได้ทนนั้นจริงคือรู้อยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู้อะไรจะสุขจะทุกข์ก็รู้เมื่อหมดปัญหาในเรื่องความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนภพมุดีแล้วมันก็หมดปัญหาภายในจิตใจคือไม่ไรับทราบไม่รุ่งเยือกวุ่นวายต่อไปถ้ารับที่ท่านว่าตระมังสุขขัง เัาจะไปหาปรมาณูสุขขังที่ไหนทําจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมาณูสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้จะเป็นชื่อนั้นเลยถ้าในชื่อปรมังสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมางเไม่ปรมังไมูมงไ ม, ม่ปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิม่มนำทำร้านแนละ้วแต่ประกาศไมยประกาศว่าเรารทานอิ่มนั้วนะกว็ช้า 3, มันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธานในขันตัวเองนี mm ่ hmm. อะไรจะกว้างกว้างกว่ามหาสมุดมหานิยมซึ่งให้กิจแบบเรียนไหวนี่มากมายการกองอันนี้แหละกว้างกับกว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวในแบบว่าเป็นันเวลาเลิกกันกับที่เคยพูดกัน่าป่าช้า <S <S <ม>ทําเกิดแก่เจ็บตาย หมดปัญหากั น, นงรงของมันวันนี้แสดงเป็นี น, นรู้สึกดหนื่อย <laughs>